เวียนวายใจเกินในสุ้สารูนิพพานที่มุงมัตรปราถนาตทาคตเป็นเพียงผู้ชี้นำจำพึงพาตัณนี้ไปตามทางตถาคตเพียงชี้ทาง ได้เกลในสงสารลุนิพาที่มุมบมั่นปรารนาตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้หน้าจำพินพาตนตังเนไปตามทางจำป็นิพานตันเน้นไปตามทางตถาคดเพียงชี้ทา ในสงสารรู้นิพพานที่มุ่งมาตปรารถนาแต่ท้าคุดเป็นผู้ชี้หน า, า, าจำพึ่งพาตนเองไปตามทางจำเพึ่งพาตนเองไปตามเธอแต่ท้าขุดี